ถึงผู้จะเข้าสู่อริยภูมิก็ต้องเข้าถึงจิตเป็นหนึ่งเรียกว่ามัคคะสมังคีจิตรวมศีล ส, สมาธิปัญญาเข้ามาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจึงจะเข้าถึงอริยภูมิได้ปัญญาค้นคว้าหาเหตุผลของกิเลสนั้นๆจนรู้ชัดแจ้งแจ่มแจ้งด้วยตนเองแล้วนั่งอยู่ที่เดียวนั้นก็เว้นจากความชั่วนั้นๆ